ระเจ้าวิเทหราชทรงยินดีจับพระเต้าทองคําอันเต็มด้วยน้ำหอมทรงหลังน้ำนั้นลงในมือสิอริวัฒกะเศรษฐีพระราชทานให้ปกครองปาจินนยวมัชคามแล้วตรัสว่าเราเศรษฐีที่เหลือจงบำรุงสิริวัฒกะเศรษฐีแล้วให้ส่งเครื่องสัมภาลังการพระราชทานแก่นางสุมนาเทวีมารดาพระโพธิสัตว ทรงเลื่อมใสในปัญหาลาจึงตรัสกับเศรษฐีเพื่อจะทรงรับพระโพธิสัตว์ไว้เป็นราชบุตรที่รักของพระองค์ว่าครืหบดีผู้เจริญท่านจงให้มโหสดบัณฑิตไว้เป็นราชบุตรแห่งเราเศรษฐีทูลคารว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพมโหสดบุตรของข้าพระองค์นี้ยังเด็กนัก จนถึงวันนี้กลิ่นน้ำนมในปากของเธอยังได้กลิ่นอยู่ต่อในการเมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่เธอจึงอยู่ในราชสำนักพระราชาตรัสว่าจำเดินแต่นี้ไปท่านอยาห่วงใยในมโหสถเลยมโหสถนี้จะเป็นราชบุตรของเราแต่วันนี้ไปเราคอจะเลี้ยงบุตรของท่านได้ท่านจงกลับบ้านเถิด ตรัตชนีแล้วมีพระราชาอนุญาตให้เศรษฐีกลับบ้านเศรษฐีถวายบังคมบ ร, รมมกษัตริย์แล้วสวมกอดมโหสถแนบอกจุงพิษศีรษะให้โอวานแก่มะโหสถว่าแน่พ่อดุดดวงใจดวงตาอันประเสริฐพ่อมโหสถผู้บัณฑิตพ่ออย่าทำให้บิดาหาที่พึ่งไม่ได้จำเดิมแต่นี้ไปพ่อจงบำรุงพระราชาของเราทั้งหลาย ด้วยความไม่ประมาเทเถิดมโหสถไหว้บิดาแล้วกล่าวว่าบิดายาวิตกไปเลยแล้วส่งให้บิดากลับเคหสถานแห่งตนพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามมโหสถว่าเจ้าจักเป็นข้าหลวงเรือนในหรือข้าหลวงเรือนนอกพระโพธิสัตว์คิดว่าบริวารของเรามีมากควรเราจากเป็นข้าหลวงเรือนนอก จึงกราบทูลว่าข้าพระองค์จักเป็นข้าหลวงเรือนนอกลำดับนั้นพระราชาจึงพระราชทานเคหสถานอันสมควรแล้วพระราชทานสเสบียงและเครื่องอุปโภคทั้งปวงตลอดถึงบริวารพันหนึ่งตั้งแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็บำรุงพระราชาฝ่ายพระราชาก็ทรงใครจะทดลองมโหสถนั้นต่อไป การ น, นั้นแก้วมณีได้มีอยู่ในรังกาบนต้นตาลต้นหนึ่งที่ริมฝั่งสระโบครณีไม่ไกลประตูเบื้องทักษิณแห่งพระนครเงาของแก้วมณีนั้นปรากฏในสระโบคารณีชนทั้งหลายทูลแด่พระราชาว่าแก้วมณีมีอยู่ในสระโบครณีพระราชาตรัสเรียกเสนกะมาตรัสถามว่าแน่อาจารย์เสนกะ ได้ยินว่ามณีรัตนปรากฏในสะโบกครณีทำอย่างไรจึงจะถือเอาแก้วมณีนั้นได้พระเสนกะทูลว่าควรวิทน้ำถือเอาจึงมอบการทำนั้นให้เป็นภาระของเสนกะนั้นอาจารย์เสนกะให้คนเป็นอันมากประชุมกันวิทน้ำโกยตมออกจากสะโบกครณีแม้ขุดถึงพื้นก็ไม่เห็นแก้วมณี เมื่อน้ำเต็มสระโบกครณีเงาแก้วมณีก็ปรากฏอีกเสนกะแม้ทำดังนั้นอีกก็ไม่เห็นแก้วมณีนั้นเลยตอนนั้นพระราชาตรัสเรียกมโหสถบัณฑิตมาตรัสว่าแก้วมณีดวงหนึ่งปรากฏในสระโบกครณีอาจารย์เสนกะให้นำน้ำและโคลนออกจากสระโบกครณีกระทั่งขุดพื้นก็ไม่เห็นแก้วมณีนั้น เมื่อน้าเต็มสระโบกคารณีเงาแก้มณีก็ปรากฏอีกเจ้าสามารถจะให้เอาแก้มณีนั้นมาได้หรือมโหสดกราบทูลสนองว่าข้อนั้นหาเป็นการหนักไม่พระเจ้าค่าเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์จักแสดงแก้มณีนั้นถวายพระเจ้าวิเทหรอชได้สดับดังนั้นก็ทรงดีพระหฤรุไทยทรงคิดว่า วันนี้เราจะเห็นกําลังปัญญาของมโหสถบัณฑิตก็เสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปสู่ฝั่งโบครณีพระมหาสัตยืนที่ฝั่งแลดูมณีรัตน์ก็รู้ว่าแก้วมณีนี้ไม่มีในสะโบครณีมีอยู่บนต้นตาลจึงกราบทูลว่าแก้วมณีไม่มีในสะโบครณีพระเจ้าค่าครั้นรับสั่งว่า แก้มณีปรากฏในน้ำไม่ใช่หรือจึงให้นำภาชนะสำหรับขังน้ำมาใส่น้ำเต็มแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทอดพระเนตรแก้มณีนี้หาได้ปรากฏในสระบกขรณีแต่แห่งเดียวไม่แม้ในภาชนะน้ำก็ปรากฏครั้นตรัสถามว่าเจ้าบัณฑิตก็แก้มณีมีอยู่ที่ไหน กราบทูลสนองว่าข้าแต่สมมุติเทพเงาปรากฏในสะโบกครณีบ้างในภาชนะน้ำบ้างแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสะโบกครณีแต่แก้วมณีมีอยู่ในรังกาบนต้นตาลโปรดให้ราชบุรุษขึ้นไปนำลงมาถวายเถิดพระราชาก็ตรัสให้ราชบุรุษขึ้นไปนำแก้วมณีลงมา มโหสดบันดิตรับแก้วมณีจากราชบุรุษแล้ววางในพระหัตถ์ของพระราชามหาชนให้สาธุการแก่มโหสดบันดิตบริพาทอาจารย์เสนกะชมเชยมโหสดว่าแก้วมณีอยู่บนต้นตาลเสนกะง้ให้คนมากมายขุดทำลายสระโบกครณีแต่มโหสดบันดิตไม่ทำเช่นนั้น แม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงโสมนัสพระราชทานสร้อยมุกดาหารเครื่องประดับพระสอของพระองค์แก่มะโหสดพระราชทานสร้อยมุกดาวลีแก่เด็กผู้เป็นบริวารพันหนึ่งทรงอนุญาตพระโพธิสัตว์พร้อมบริวารให้ปฏิบัติราชการโดยทํานองนี้ปัญหาสิบเกข้อจบ